รายการธรรมสุตะขอเชิญฟังธรรม ถ้าผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ จิตของเรานี้เบื่อหน่ายๆหลายอย่างจึงคิดอย่าง เราได้บอกความพอใจแม้แก่พวกเขาเหล่านั้นว่าได้บอกความพอใจแม้แก่พวกเขาเหล่า นี่ก็พูดถึงจริยาที่วัตตะเห็นภายในเอ่อบาปอกุศลธรรมทั้ง 80 โกรธเป็น เป็นก็เกิดในตระกูลสูงตระกูลใหญ่โดยความเป็นผู้มีวิชาก็เกิดในตระกูลสูง ในวันตั้งชื่อกุมารนั้นวันตั้งชื่อกุมารนั้นมารดาบิดาก็ตั้งกุมารนะโสนะ ในกัปนี้ฮะในกัปนี้พระโพธิสัตว์หรือพระอนนท์เป็นต้นท่านเกิดในพรหมโลกแล้วก็ไม่ๆเมื่อก่อนนี้เราคิดๆ มารดาบิดาเห็นรูปสมบัติของบุตรทั้ง 2 ผู้เจริญวัยเรียนพระเวทสำเร็จศิลปะ ลูกรักพ่อแม่จักนําธาริกาจากตระกูล อันหนึ่งโดยความพิเศษอย่างยิ่งพระ ทุกอย่างก็เป็นสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสนี่แผดเผานะเหมือนกับ โดยมากไม่ร้อนใจเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหมดไปเรื่องใหม่ก็ๆอย่างมีความสุขได้ อย่างเป็นผู้ที่มีเจริญอกุศลธรรมเจริญอย่างอย่างดีอย่างเดียวนี่หายาก และชีวิตอัตภาพที่เกิดมาก็เดินเดินเอาเรียกว่าเดินไปสู่ชรา การอยู่เฝ้าวัตตะเนี่ยมันดีออกจากออกเรียกว่าไอ้คําว่าออกเนี่ยคือคือออกๆคร้อง ให้เห็นดีเห็นงามไปได้เห็นดีเห็นงามไปได้จริงๆก็มีอรรถาธิบายที่จะโอวาทแนะให ลูกรักข้าเช่นนั้นลูกจงปกครองทรัพย์สมบัติ มีลูกชาย 2 คนสมบัติมากมายลูกชายทั้งคู่ไม่แต่งงานเนี่ยนะพ่อแม่นะ ก็คือคนที่ๆเนี่ยนะก็ไม่เอ๊ะการออกจากกามการออกๆแล้วจะเห็นชัดว่าไอ้การหมกมุ่นเพลิดเพลินในซาบทั้ง ที่แน่ๆก็คือถ้ามีอะไรนะสิ่งที่เราแสวงหาโดยเฉพาะทรัพย์สมบัติเนี่ยนะแสวงหาการสร้างสร้างเรือนอันนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยเที่ยวไปเที่ยว บอกมันดูดีไปหมดเลยอ่ะแต่ถามว่ามี ก็เหมือนกับว่าทุ่มเทเหลือแล้วแล้วทําไมไม่ออกตั้งแต่แรกเลยล่ะฉันใดก็ดีผู้ที่แสวง ก็เลยมีใจคิดแต่จะออกนี้พ่อแม่ๆไอ้ที่ เลยบอกกับลูกว่าลูกรัก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 ออกก่อนและปลอดภัยดีที่สุดชั้นใดก็ดีๆก็ๆอย่างนี้ๆๆเดี๋ยว ทุกพันการออกบวชนั้นก็คือแสวงหาคุณธรรมเพื่อนําออกจากจากกองทุกข์ทั้งหลายงั้น 4 ทั้งพ่อ 2 คน จากพรหมวัฒนะนครอาศัยอยู่ในสะ จิตของเรานั้นเบื่อหน่ายจากพบเหมือนช้าง คือโลกโดยมากหมู่สัตว์โลกโดยมากนี่นะเป็นโลกที่ๆกันนะ เห็นกระป๋องยาพิษมันเหมือนกันไปหมดแล้วอาหารเป็นต้นอาจจะเป็นผู้ที่บริโภคยาพิษก็ได้ฉันใดผู้ที่เกิดมาใน นั้นจึงโลกที่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นบุญถึง 6 ให้ผลในชาติที่ 3 เป็นต้นเพราะฉะนั้น แล้วก็เมื่อผลใดๆที่ไม่น่าปรารถนาก็สาวไปหาเหตุได้มันก็ต้องเป็นคนที่สาวไปหาเหตุใหให 6 ให้ผลในชาติที่ ไม่ต้องไปนับหรอกว่ากรรม 1 ไมกรรมจะให้ผล เสแสนกลับก็ยังชั่วนะแสนโกรธกลับครั้งหน้าพันวิบากที่เรากําลังเฝืออยู่เนี่ยไม่แน่ วิบากที่น่าปรารถนาเกิดจากกรรม ปลูกมะม่วง 1 ลูกเนี่ยนะมันออก 100 ปีแต่ละปีลูกเป็น 100 ปีเนี่ยถามว่าจะมีกี่ลูกนะออก 18 ชั่วโมงนะ แล้ววิบากเหล่านี้ถ้ามันให้ผลนะบอกติด welcome to ป่ะยินดีต้อนรับวิบากทั้งหลายทยอยเข้ามาเถอะเอาไว้ๆไปนะมันทํา <c oughs> <c oughs> เพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นบอดเอ่อคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าเราน่าน่าเสียดายน่าเห็นบอดเนี่ยนะโดยมากโลกนั้นๆเพราะเช่นกับ ทำขวนขวายทำกรรมเหมือนตนนี้เป็นศัตรูของตนสร้างแต่ความทุกข์หาแต่เหตุแห่งความเดือดร้อนหาแต่เหตุๆเค้าเบียดเบียนตัวเองไป ผู้ปทัสสรายตนผู้ทําลายตนผู้สร้างแต่ไม่ฉันหาแต่ความสุขให้เข้าใจว่าทุกข์ ต้มยกต้มยกกับพวกอะไรนะพวกตะกั่วพวกพวกยกพวกตะกั่วๆอีกหลายตัวแล้วก็ อายุวัฒนะฤยาอายุสั้นกันนะในที่สุดก็กลายเป็นยาอายุสั้น ฉันใดก็ดีหรือเหมือนกับคนกินยาแก้ปวดแก้เมื่อยเช่นกลุ่มยาอะไรนะสารหนูเป็นต้นน่ะนะ จะดื่มยาพิษเพื่อมิตรภาพเพื่อจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ยอมทําบาป ตัวเองกําลังบ่ายหน้าไปหาความแก่และตายบอกไปไปไหนป๊ายรีบไปไปไหนแก่และไปตายแค่อย่างนี้ จากสุเนี่ยนะนั้นจึงไม่รู้ว่าทําดําทําขาวไม่รู้จักว่าทําขาวว่ากรรมและมโนกรรมเหล่านี้จักมี อชาติเดียวนะแล้วทำกรรมมาทุกชาติแล้วถาม ท่านต้องการหาธรรมเลที่จะค้นคว้าและวิจัยการออกบวช เพื่อแสวงหาอริยมรรคบางชาติเน้นเจริญสัมมาวาจาบางชาติ แสวงหาอริยมรรคว่าอริยมรรคที่จะทําให้พ้นทุกข์นั้นน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ เราเที่ยวแสวงหาว่าอะไรหนอคืออัสสาธาอาทีนวะอะไรหนอคือเหตุ 5 เราก็ แสวงหาอัสสาทาอาทีนวะนิสสรณะ 5 แสวงหาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่า 4 อสงไขยแสนกับๆเนี่ยนะมันก็เอ้ยของเรา นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทั้งๆที่บอกว่าแม้กระหายเหลือเกินเค้าเอาน้ํามา ก็เราอยากจะเป็นเช่นนั้นเลยคือถูกความมืดครอบงำเลยนะคือสัตว์เนี่ยดีของเราตาปัญญาไม่มี แล้วก็จากคันสู่คันมันหมุนมาไม่รู้กี่หมื่นล้านรอบแล้วฉะนั้นก็เลยหลงไปหมดไปมาท่าเธอมาจากไหนไม่ นะจุดนั้นเราต้องเห็นอริยสัจนะแห่งนั้นจะเห็นอริยสัจนะตรงนั้นเราจะไปพิจารณาอริยสัจโยมก็ ไปเพื่อทําปริญญาในทุกขสัตไปเพื่อละสมุทัยยสัตไปเพื่อทํานิโรธสัจจะให้แจ้งไปเพื่อเจริญอริยมรรค ผมไม่แช่งฉันนี่โอ๊ยไม่แช่งก็ตาย ที่แย่เข้าไปในไฟแย่เข้าไปในไฟท่านมองก็ เคยคิดมั้ยว่าโอ้ครูอันนั้นก็เบื่ออันนี้ก็ไม่เอาอ่ะนะแยเข้าไปแล้วใจนี่ถอยกลับ ทีเชื่อเธอไอ้เกิดแก่เจ็บตายอย่างงี้เชื่อเถอะไปเสียอกเสียใจมากับทุกเรื่องนะมีตรงไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างที่ ก็ทั้งกายกรรมเลยสอบว่าที่ไหนมั่งที่ที่ไม่ทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะพบต่อมา ของพระโพธิสัตว์ก็คือว่าจะตัดเหตุได้อย่างไรบทว่าตุตะเว เป็นพูดถึงความสลดใจฉันใดใจของเราก็ถึงความสลดด้วยการ ถามว่ามันจะเจ็บปวดฉันใดเอ่อเจ็บๆก็เต็มไปด้วยความเจ็บๆอ่ะนะหลายคนบอกโอ้เชื่อ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 เอาไว้นะเพราะมันเหมือนกับว่าไปเก็บดอกไม้ดอก บทว่าทิสวานะวิทิตังตาปังเราเห็นความลามเห็นบาปทั้งหลายปาปะ แม้กระทั่งเครื่องเอ่ออากาศที่เรามองเห็นๆเนี่ยนะอากาศ บนน้ำอ่ะบนน้ำนี่เรือเรือเรือ แล้วพวกปลามันเข่นมันฆ่ากันขนาดมนุษย์แล้วเดรัจฉานน่ะมันเข่นฆ่ากันเองโลกเนี่ยนะมันมัวแต่ทําบาปกันมัวๆที่เหมือน หายส่งเออ 1 นาทีก็เชื่อว่าตัวเองประสบความสําเร็จใช่แล้วเปิดประตูนรกให้ เอาตรงไหนที่สัตว์ไม่ตายตรงไหนที่สัตว์ไม่ตายเค้าเคยแมลงตายที่ตาบ้างเคยเนี่ยนะ กับโอ้มือที่จับคัมภีนี่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ข้าสัตว์เอ้อ คิดง่ายๆว่าทุกข์แห่งเปิดประตูอาบายได้หมดเลยทุกข์แห่งเปิดประตูนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานได้หมดเลยนะเพราะ เป็นที่ที่ทําตานาติบาปที่ที่ ประตูอบายประตูเดรัจฉานเป็นต้นเมื่อท่านเห็นตั๊บตรงไหนท่านแล้วที่ 416 เนี่ยนะอัตถกามูคือผู้ใคร่ เป็นผู้ที่แสวงหาประโยชน์เพื่อเพื่อตนก็คือเนื่องจากท่านกลัวบาปที่ท่านกลัว <c oughs> ก่อนจะจากนรกก้อนเนื้อเหมือนกับนึกถึงเนื้อสักชิ้นนึง กรรมมีปานาธิบัติและนิมิตของกรรมเครื่องหมายของกรรม ปาณาติบาตเป็นเครื่องมือที่จะให้ทําอทินนาทานเป็นต้นได้หมดเลยอันนั้นมันหมู่สัตว์ทั้งหลายวางโอ้ผู้ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอคติทั้งหลายมีฉันทาคติด้วยโทสาคติโมหาคติและพยาคติพอชีวิตเต็มไปด้วย มันก็อย่างที่เราเห็นภาพเห็นข่าวบ่อยๆนั่นแหละคือเป็นผลพลวงจากฉันทาคติเป็นต้นเนี่ยนะ ไปเพื่อทำป chilling cues คนไปทำปagger society ดีใจมากเต็มใจเต็มที่ห писดมาก พวกที่ไปข้าดนี้照ระหกไปเพื่อทำป territorial judgments zagودมา Shelia. soul ไ Igna, ay shared, darada audio doo rock andCHide artercics виде nutritional creativeud питания hotraiences colouredที่ should be .canst it able to give up maybe less what you can and forget to possible dej tätäете of Projects. but in any บาปอกุศลเนี่ยโอ๊ยมันแหมมันพลังอ่ะนะแต่ถ้าไปทํากุศลเนี่ยไงเนี่ยเหตุแห่งความเจริญ เพื่อปะทุสลายตนเพื่อทำลายตนเนี่ยนะ ถ้าโดยส่วนตัวอาตมาบอกว่าดี เพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะ อ่าขึ้นเรือนเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่มีบุญไม่มีปัญญาจริงๆอ่ะเชื่อมั้ยประกอบอาชีพเนี่ยอาชีพที่ ล่วงอกุศลกรรมบทซะส่วนใหญ่เมื่อเพราะฉะนั้นมันถือว่ายากนะพระองค์จึง ครั้งนั้นแม้กระทั่งพวกญาติจะ ลูก 80 โกดนี้เถิดจงดํารงวงตระกูลวงสกุลนะ ก็อย่างว่าต้องต้องทบทวนไว้เสมอนะว่าน้อมไปเพื่อจะออกกับ คืนนันทกุมารเนี่ยนะก็เค้าก็มาจากพรหมโลกนะก็พิจารณาโทษๆกว่าๆไม่มี เพราะฉะนั้นก็บอกว่าไอ้กว่าจะได้ความยินดีเล็กน้อยสักเครื่องหนึ่งเนี่ยนะมันได้ความลําบากมามากมายเรียกว่าเลือด เพราะว่าเงินแก้วแหวนเงินทองในโลกมันเป็นเป็นวัตถุที่มี นาสงสารกันในวงเรือนเรานี่ข้าวก็ไม่แต่ศีล 8 ก็ไม่ครั้นเข้าไปก็สร้างอาศรมเนี่ยนะสรุปว่าในที่สุดก็ออกบวชใช่มั้ยออกบวชก็คือทั้งพ่อ นนทบัณฑิตก็คิดว่าเราจะให้มารดาบิดาบริโภค เพราะฉะนั้นพอไปเก็บหาอะไรได้ก็ให้กินแต่จริงๆเจตนาดีนะเจตนาดีแต่ โสนบัณฑิตนี่เข้าไปไกลเพราะก็ได้ฌานนะ มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่รู้พันพลไม้ของน้องชายเนี่ยพ่อแม่ทาน เพราะอะไรเพราะลูกชายคือน้องเอ่อขอพายเพราะน้องชาย ต้องรอพี่กลับมาก่อนรอพี่รอพี่กลับมาก่อนมาก่อนนะก็บอกน้องดีๆอ่ะนะบอกว่าก่อนจะ พี่เป็นพี่นะเป็นพี่นะพ่อแม่เป็นภาระของพี่พี่จะ เธอเนี่ยหวังดีเถอะมันผู้ที่รับภาระ ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อ ทำฌานได้ได้เนี่ยเราจะเข้าไปหาท่านจะ ขอร้องเทวดาให้เทวดามาช่วยขอขมานำเท้ามหาราชทั้ง 4 นำเท้าสักกะเอ๊ะก็ดูไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันพระ เมื่อเป็นอย่างนี้คุณของพี่ อ่าโสณบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยนะก็อยากให้เอ่อหมู่ชนทั้งหลายให้สรรพสัตว์ทั้ง จะให้สัพอ่ามูชนทั้งหลายรู้จักกับโสนบัณฑิตที่นั้นนันทบัณฑิตก็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 ไปแก่พระเจ้าโกศลว่าจะรบหรือจะ ทำโล่ทําค่ายป้องกันไม่มีการตายนะเสนาทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีการตาย ตรัสกับนันทบัณฑิตว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณ ก็เลยกําหนดช้างกําหนดม้ากําหนดรถกําหนดแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานเงินทองธาตุหญิงชายบริวารชนว่าตรงว่าท่านจะเอาอย่างไรนันทบัณฑิตพอได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่ามหาราชอาตมา อาตมาภาพบำรุงมานาบิดาเหล่านั้นถูกโสนบัณฑิตพี่ชายของอาตมาพี่ชายผู้ ไปให้พี่ชายอดโทษขอพระองค์จงยิ้มๆอะไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจะต้องหา แล้วก็ปล่อยระยะไว้ที่ 4 อังอังคุละเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปจริงๆเค้ามี ในในโสนันธชาดกอ่ะนะผู้ใดอยากรู้รายละเอียดพิสดารก็ไปดูเอาที่นั่นแต่ว่าสรุปใน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 ก็ว่าวิธีที่เรียกว่าเลี้ยงดูพ่อ บำรุงผู้ทรงพระคุณเนี่ยนะมัน 4 คือ 1 ทาน 2 ปิยะ 3 อรรถจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์ 4 สมานัตตตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายดุจลิ่มรถที่แล่นไปถ้าการสงเคราะห์คือสังคหะวัตถุ 4 ประการเหล่านี้ไม่มีพ่อแม่ย่อมไม่การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุหรือบิดาย่อมไม่การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุ สังคหวัตถุวัตถุแห่งการสงเคราะห์ 4 เหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นผู้ยิ่ง ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่และก็วางๆ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 พ่อแม่เคยคิดมั้ยบอกเออขอให้ลูกในครรภ์นะเกิดมาตาบอดหูหนวกพิการเป็นต้นมีมั้ยๆเนี่ย เสร็จแล้วท่านพอคลอดออกมาปั๊บ ความทุกข์แสวงหาทุกอย่างเพื่อจะช่วยทํายังไงลูกจะได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะแม้พูดยังจะเคยมีลูกอ่ะนะเคยแล้วในอดีตชาตินั่นกันแต่พูดถึงว่าเห็นจากพ่อแม่ที่เค้าทํา นอนเค้าเรียกว่ากินก็เป็นสุขหลับก็เป็นแต่เพื่อลูกตัวเองก็เลยทุกข์ ลูกเขาประสบความสําเร็จไปแข่ง พ่อแม่เสมอเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดใน อะไรตอนที่ไปบรรยายสอนคุยกับเด็กหนู ใครที่ช่วยดูแลหนูทั้งหลายบอกพ่อแม่สรุปว่าใครส่ง นะไม่เชื่อก็ลองรับรับเลี้ยงเด็กดูเถอะๆเลย เพราะฉะนั้นสรว่าพ่อแม่ โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายถ้าพ่อแม่ยังไม่ครบๆทั้งนั้นน่ะ โลกทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงน้อมสักการะบูชามารดาบิดาเหล่านั้นด้วยอะไรบ้างด้วยๆพ่อแม่เตรียมข้าวให้ลูกอ่ะนะลูก สักการะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยผ้าด้วยที่นอนด้วยเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นต้นไม่ใช่ลูกใช้ซะเหลือแล้วไปฝาก บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ด้วยการบำรุงบำเรอในมาดา เราขอให้ศรพระราชาเหล่านั้น แล้วก็ปล่อยพระราชาเหล่านั้นกลับไป อ่าบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานันทบัณฑิตก็คือๆบริษัท 24 อัคโกภิณีก็คือพุทธบริษัทอนะโสนะบัณฑิตก็คือ มันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาติ ขนาดเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรง สิ้นชีวิตตัวเอง สมาบัติวิหารธรรมอนสมแล้วที่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เนื่องนี้พั้นเราเวลากล่าวถึงพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นก็ควรกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้มีศาสดาที่มีคุณธรรม แต่ก็ขอว่าให้ตั้งอัตตสัมมาปณิธิว่าขอให้มีโอกาสได้ทําทํา ถึงจะทําไม่มากก็มีประโยชน์บาปๆนะจะทําซะอีก ทรงเล่าให้พระศาสนบริบทฟังอีกเรื่องนึงว่าในการเมื่อ 16,000 ไม่มีที่ สนมเยอะจริงแต่ว่าไม่มีใครมีโอรส กระว่าบุตรสุดที่รักอันได้โดยยากเป็นอภิชาติตบุตทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง พอเห็นสเวตฉัตรเข้าก็บอกว่าตัวนี้แหละคือเหตุให้เราไปสู่นรกความ วินิจฉัยคิดว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจะเปลื้องราชสมบัตินี้ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นจากราชสมบัตินี้ได้ณ3 ประการ ท่านจงอย่าแสดงความเป็นบัณฑิตจงแสดง เมื่อเทพธิดากล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนนางเทพธิดาข้าพเจ้าจะทําตามที่เอ่อตามคําที่ท่านกล่าวกับเราฉะนั้นเราเป็นผู้ปรารถนา ฝั่งในสาครเหมือนอยู่ในทะเลเนี่ยนะเห็นฝั่งเนี่ยเห็นฝั่งก็ดีใจร่าเริงดีใจได้อธิษฐาน <6. S 1> 16 ปีเนี่ย ครั้งนั้นเท้าลิ้นและช่องหูของเราแล้วเห็นความไม่บกพร่องเอ๊ะคนอะไรนะไม่มีความบกพร่อง เราได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นวันพอเรเราเรเราเรา 8 เรานาย นายสารทีหยุดรถไว้ณโอกาสแห่งหนึ่งก็ปล่อยรถเทียม 16 ปีนี้อยู่ด้วย เป็นคนที่มีความอดทนสูงได้กับทุกเรื่องเป็นคนที่มีความอดทนสูงได้กับทุกเรื่องงั้นระยะเวลา 16 ปีที่พ่อเนี่ยทดลองทุกประการก็ เป็นที่รักของเราเพราะเราจึงอธิษฐานองค์ 3 ประการนี้เราอธิษฐานองค์ 3 ประการ 16 ปีผู้เสมอด้วยอธิษฐาน อย้อนกลับมาในอรรถกถาอธิบายตามลําดับคําว่าโมคะปักผักขะกับเตมิยะเนี่ยนะฮะอธิบาย เตมียะเนี่ยนะเตมียะแปลว่าเป็นที่นางสนมเหล่านั้น ชาพนคนก็เกิดความเดือร้อนว่าพระโอรษแม้อง Ngค์เดียว ที่จะรักษาราชวงของพวกเราไม่มีเลยพระราชาแค่ก็เป็นหมน 16,000 นางว่าพวกเจ้าจงปราถนะบุธ เที่ยวขอร้องขอทั่วไปหมดอยากได้เนี่ย ปรารถนาจะมีลูกรักษาอุโบสถและตั้งสัจจะบารมี ดาวดึงส์พิภพที่ปรารถนาจะเกิดในเทวโลกชั้นสูงแสดงว่าพระโพธิสัตว์นี้ดำรงอยู่ในดาวดึงส์ <c oughs> 36 36 ล้านปีอยู่ในดาวดึงส์ 36 ล้านปีแล้วก็จัตติติแล้วจะแต่ว่าปรารถนาจะเกิดสวรรค์ชั้นสูงๆต่อไปคือคนมีบุญนี่มันเป็นอย่างงี้แหละมันเลือกเกิดได้เรื่อยๆ ตราบสามารถปฏิสนธิที่ที่สูงๆสูงๆต่อไปเรื่อยเพราะบุญมากแต่ว่าคนบาปมากๆต่อไปใจ ไอ้คนขอร้องนี่ก็ขอร้องแบบชนิด กาสีนี่ปรารถนาพระอุรสขอให้ท่านจงอุบัติในพระครรภ์ของพระนางนั้นเถิดพระ 500 สหาย คือปฏิสนธิในครรภ์ของพระภริยาอมมาตย์ทั้งให้พระราชาทราบพระราชาก็รับ โอรสของเราแล้วก็ทรงแม่นม 500 แล้วก็ 64 คนเนี่ยนะเป็น เช่นถ้าแม่แม่นมสูงเกินไปจะเป็นยังไง พระกุมารก็เจริญด้วยบริวารใหญ่ลําดับนั้นแม่นมก็แต่งพระกุมารพอมีมากเนี่ยนะแต่ก็กําลัง โจร 4 คนนั้นคนที่ 1 คนพระราชาตัดสินให้เครียดด้วยหวายมีก็เกิดสลด โอ้น่าเศร้าพระบิดาของเราเนี่ยนะอาศัยความ นะนอนข้างบนก็มีร่มมีสเวตฉัตรใช่มั้ยนสเวตสั่ง 4 ประการให้ สั่งเอาหอกแทงสี่หอกแทง 4 เสียบลาวแม้ใจเนี่ยก็สลดสังเวชหนักอยู่แล้วอ่ะนะไม่สบายใจอยู่แล้วๆก็เห็น เคยหมกม่ายอยู่ในอุตสถนรกปีก็ตรวจดูไปอีกก็เห็นความ 200 ปีอนัตทนายเอ่อชาดกถ้า 20 ปีนะครอง 200 ปีก็หมกม่ายอยู่ บัดนี้เราเกิดในเพราะเราเกิดในเรือนโจร 20 ปีเนี่ย 20 ปีตก 80,000 ปีนี่คุ้มมั้ยเห็นมั้ยโคย 4 คนแล้ว เนี่ยพ่อของเราเนี่ยเหตุให้ตกนรกทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องการราชสมบัติที่ ความปลอดภัยจักมี 3 ประการ 1 บ่าย 2 หนวก 3 เปลี้ยเนี่ย 3 เถอะก็ 3 ประการ 16 ปีด้วยกากความอธิษฐานที่ไม่หวั่นไหวเนี่ย พระมารดาพระบิดาพวกนางนมเป็นต้นก็คิดว่าเอ๊ะธรรมดาปลาย ไม่ให้นมตลอดวันดูสิจะร้องมั้ยถ้าบ้ายมันต้องร้องสิเออถ้าไม่บ้ายมันก็ คืนนมเนี่ยได้ดื่มนมมั่งไม่ได้ดื่มนมมั่งอยู่ปีนึงเต็มๆจนกว่า สรปาตลอดระยะ 1 ปีเนี่ยนะได้ดื่มมั่งไม่ได้ดื่มมั่งอิ่มๆอดๆตลอดนะเป็นมา ไม่ว่าจะบางทีมเนี่ยพอยกขึ้นมากลัวไฟกลัวช้างกลัวงูกลัว นรกน่ากลัวยิ่งกว่านี้เป็น really 100 เท่า 1,000 เท่าแสนท่านคิดน่ะนะถึงเห็นเห็นเหตุเหล่า ท่านคิดได้เป็นล้านๆแม้แต่เป็นเด็กอายุ 1 ขวบ 2 ขวบในชาตินี้ 2 ขวบ 3 ขวบเป็นต้นก็จริงแต่ปัญญาปีเอาเข้าแต่ อ่าแม้กระทั่งเล่นมโหรสพให้ทำเสียงกลองอึกกระทึกครึกโครมทำอย่าง ทำได้ไงนะครั้งเราคยุกคยุกคยุกคยุกตายเลยนะแต่ดิท่านทนได้อะไรนะอย่าว่าแมลงวันมาตอมเลยให้นั่งนิ่งๆดูเถอะเนี่ยแต่ไปเห็นแล้วนะเด็กกันนะแล้วก็ ว่าแม่แน่เห็นมั้ยจมอยู่ในอุจาระปัสสาวะเป็นต้นท่านก็แม่นะแล้วอย 3 อย่าง 15 ปีครั้น 16 ปีแม่นมก็คิดว่าเอคนง่อยคนเปรี้ยก็สรุปมั้ยมันจะบ้ามันจะบ้ามันอายุ 16 ปีแล้วจะคิดเรื่อง เหมือนเทพบุตรขึ้นบนปราสาทก็รูปร่างจริง อล้วนรูปร่างงดงามแพรวพราวไปด้วยเสน่ห์เปรียบเหมือนเทพอัปสรคอยบำเรอว่าพวกเจ้าจงให้พระกุมารอภิรมย์ด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นต้องไปปลอบอกปลอบใจถ้าใครทําสําเร็จคนนั้นจะเป็นอัครมเหสีกวังนั้นนะก็ก็ก็ทีนี้พระโพธิสัตว์ทํายังแกล้ง ลั่นลมหายใจเข้าออกทำเป็นตาเหลือกเนี่ยนะเหมือนจะตายแข็งตัวนี่แข็งเย็นอย่าเยือกสตรีเหล่านั้นไปจับปั๊บเนี่ย 16 ครั้ง 16 ปี ไอ้ไอ้เกี่ยวกับทดลอง 100 ครั้งอ่ะนะแต่ว่าไอ้อยู่ 16 ครั้งพอ 16 ปีเนี่ยนะแม่ เพราะว่าปากหูและเท้าอย่างนี้ไม่ใช่ของคนใบ้คนหนวกคนง่อยเปรี้ยเลยลูกนี้ ขอร้องยังไงก็นอนทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินได้ยินนะแต่ พระบาทเป็นต้นของกุมารเนี่ยเหมือนของคนไม่ด้อยไม่เปลี้ยเป็นต้นพระกุมารนี้จะไม่เป็นด้อยเปลี้ย ถ้าผิด답ถูกไม่รู้อยากว่าอะไรก็ว่าไป 3 อย่าง 1 พระราชาจะตาย 2 เสเวตฉัตรจะทําลายพระมเหสีก็อันตรายด้วยเหมือนๆมาคูหมดเลยนะ แต่ในวันประสูติเพื่อไม่ ประสบ 16 ปีที่ 3 ประการนี้ 16 ปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจมือเท้า เราได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดี ด้วยการไม่ไตร่ตรองน่ะนะจริงๆแล้วเนี่ย พระราชาก็บอกว่าเธอจงรับเอาพร 7 ปี 6 ปี 5 4 3 2 1 1 ปีก็ไม่ 7 เดือน 6 4 5 เอ่อ 5 4 3 2 1 เดือนก็บอกไม่เด 7 วันก็ 7 วันนี่ 7 วัน พระเทวีก็ตกแต่งพระโอรสให้ตีกลองเปล่าประกาศในพระ 16 ปีแล้ว ร้องจนในตาของแม่นี่บวมหัวใจของ 6 วันท่านก็ใจใจแล้วนะ แต่จะเป็นคน 6 เนี่ยพระราชาก็ พระเทวีก็ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าลูกเอ๋ยพระเจ้ากาสีมีบัญชาให้ฟังลูกที่ป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกก็จะถึงความตาย 16 ปีเนี่ยจะถึงที่สุดแล้วสมแล้วงั้นแต่ เมื่อราตรีนั้นผ่านไปสารทีก็นํารถมาแต่เช้าตรู่จอดไว้ที่ประตูเข้าไปยังห้องอันมีสิริทูลว่าข้า พระโพธิสัตว์มองดูพระมารดาก็คิดว่าเมื่อเราไม่พูดมารดา 16 ปีเห็นจะเป็นโมฆะแปลว่า 16 ปี ท่านในที่สุดก็คิดว่าอนาคตออกกันนะในที่สุด 3 โยชน์ก็ประมาณ 48 กม. พระ คือป่าทุรแข้งเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัดว่า ตรัสทบทวนเล่า 7 วันพอดวงอาทิตย์ขึ้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า 16 ปีเนี่ยนะที่ 2 คาถาสุดๆแต่มะแต่ เป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นสรุปนะว่าหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อสุนันทสารทีกําลัง พระโพธิสัตว์ก็เสด็จลงดําเนินไปๆมา ในที่สุดก็สังเกตเห็นว่านั้นพบของเท้าสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้า พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปยังที่ที่สารทีกำลังขุดหลุมตรัสว่าดูก่อนไม่ พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนสารทีเราไม่หนวกเราไม่ใบ้เราไม่ง่อยไม่ เออไม่รู้ว่าเอเทวดาหรือมนุษย์กันแน่ก็เลยว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือ ท่านฝังเราในป่าท่านฟังเราในป่าท่านพึงทําสิ่ง <c oughs> ร่มเงาของต้นไม้ก็อย่าไปหักท่านเหมือนบุรุษที่เข้าไปอาศัยร่มเงาหากท่านฝังเรา สารทีก็เอ่อพระโพธิสัตว์ก็วิงวอนเอ่อในที่สุดก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะนะก็รู้ว่าเออ 16 ปีอ่ะ สวรรค์อยู่ 36 ล้านปีนะอยู่ดาวประเดง 36 ล้านปีก่อนจะมาจากนั้นก็ สรรเสริญแล้วเนี่ยนะจริงท่านรู้เรื่องไปหมดเลยนะคนมึงอะไรเปล่าธรรมดานี่สงสัยจะปัญญาอ่อน สนางสนมและก็ชาวพระนครชาว วิศนุกรรม 3 โยชน์ให้สมบูรณ์ด้วยที่พัก 16 ปี ก็คือ 16 ปีเข้าใจเหตุการณ์ได้ตลอดสายจะจํา 8 และอภิญญา 5 ให้เกิดภายใน พ่อนี่ก็มีราชสมบัตินี่นะก็มีอย่างเดียวนี่แหละจะให้เออก็จะให้ครองเป็นราชสมบัตินี่ เสร็จแล้วก็เล่าถึงโทษของกามอันต่ําช้าเศร้าหมองด้วยอาการหลายเส พระราชาทราบว่านางสนมกำนัน 16,000 คนตั้งแต่พระนางจันทาเทวี พระราชาก็ผนวดในสำนักของพระโพธิสัตว์ 3 โยธที่เท้าสักกะประทาน พระราชนิเวศน์เช่นกับเทพพนิเอ่อเทพวิมานเต็มไป 7 ประการจะพึงมี อ่ะแล้วก็เป็นมหาสมาคมใหญ่มากนะฤาษีนั้นทั้งหมดก็บริโภค นะเอ่อท่านเป็นศาสดายังโควินทัจจริยาก็เป็นศาสนาอีกศาสนานึงแต่นะเป็น พระองค์ที่พระองค์บัญญัติในครั้ง 8 อะไรในที่สุดเนี่ยนะพวก แม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉานที่เลื่อมสายในพระโพธิสัตว์เลื่อมสายในหมู่ เป็นอะไรนะเป็นคนที่ช่วยเหลือคอยดูแลเป็นน้องเป็นทุก แม้พอออกคลอดมาได้เดือนนึงก็กลัวนรกแล้วนี่นะก็ถือว่า ในที่สุดก็ไม่หวั่นไหวในการประชมวิโรธิปีก็เป็นเอ่ออะไรนะ 16 ผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านี้ ขอให้ศรัทธาของ